บทว่าเอสะมาโควิสุทธยาความว่าความหน่ายในทุกขนะ่คือนิพพานะนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดคือความผ่องแผ้วในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหัตตะผลแล้วเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้นะกลุ่มนี้ห้าร้อยรูปนะฟังคาถานี้แล้วก็ไดดบไดดีกันเลยอแล้วในในเรื่องนี้ไม่ไม่เฉพาะแค่นี้นะพระองค์ยังตรัสถึง สังขารเป็นทุกข์อีกนะก็คือเรื่องคล้ายๆกันนะพิกษุอีกกลุ่มหนึ่งในอดีตชาติท่านอบรมทุกขานุปัสนามามากนะอบรมทุกขลักษณะนี่มามากเพราะฉะนั้นในการนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบความที่พิสูจนเหล่านั้นทําความเพียรในอันกําหนดสังขารโดยความเป็นทุกข์แล้วตรัสว่าพิกษุทั้งหลายขันแม้ทั้งปวงเป็นทุกข์แท้เพราะอาจว่าถูกบีบคั้นเนี่ยนะนะถูกบีบคั้น ก็คืออาพาธนั่นเองอ น, นะพวกอาพาธพวกโรคใช้คําว่าโรคอาพาธฝีเป็นต้นเนี่ยถ้อยคําที่พารนาถึงทุกคลักษณะของสังขารอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหนายในทุกความหนายในทุกขนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดคําว่าทุกข์ขาเนี่ยนะคือคำว่าทุกเนี่ยเพราะอาจว่าถูกบีบคั้นบทที่เหลือก็ในย่าเดียวกัน500รรูปนี้ก็บรรลุอีก บัลลุกันง่ายนะของเรานี่รู้ว่าท่านบัรลุอะไรนี่ก็ดีแล้วนะอย่าพึ่งอยากบัรลุเลยต่อไปว่าคาถาที่สามนี่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความที่พิสษุเหล่านั้นเป็นผู้ตามประกอบแล้วในอันกำหนดสังขารโดยความเป็นอนัตตาในการก่อนอย่างสิ้นเชิงแล้วคือพิสูกลุ่มนี้เจริญอนัตตานนปัสสนามามานะเห็นอนัตตาลักษณะมาเป็นอย่างดีพระองค์ก็เลยตรัสว่าพิสูนทั้งหลาย ขันแม้ทั้งปวงเป็นอนัตตาแท้เพราะอาจว่าไม่เป็นไปในอำนาจคืออนัตตลักษณะเนี่ยนะจะปรากฏชัดเจนจริงๆเนี่ยต่อเมื่อเห็นความเกิดขึ้นเห็นสมุทัยว่าเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดด้วยปัจจัยนะปัจจัยอะไรที่ทําให้อุปาทานขันเกิดอวิชาตันหากรรมอาหารเนี่ยนะแสดงว่าถ้ากล่าวถึงอาหารเุ๊บจิตตชรูปอุตตชรูปเป็นต้นก็เข้ามาด้วย เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหมดที่เขาสมุทัยเขาเกิดขึ้นเขาก็เกิดขึ้นด้วยปัจจัยของเขาเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเหล่านั้นเขาก็เสื่อมไปเน่นะเขาเกิดด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นมีไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปอยู่ในนั้นเลยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยเป็นแต่ธรรมะที่เกิดด้วยปัจจัยเขาเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยนันถ้าหากว่าผู้ใดาสามารถเจริญปัจจัยได้สังขารนั้นก็จะเป็นไปได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นรูปประคันเนี่ยนะรูปประคันเกิดด้วยปัจจัยปัจจัยของรูปประคันก็คือกรรมจิตอุตุอาหาราใครที่อยากแต่งรูปประกายนี่ให้วิจิตขนาดไหนก็ได้ด้วยไปการเจริญที่กรรมใช่ม อ, อยากให้รูปประกายมีรัสมีเป็นพันพันพั น, พ, นพันจักรวาลได้ไหมก็จเรจริญฌานเลเจริญฌานให้ได้ฌานเป็นพรมชั้นอภัสราเป็นต้นไปเนี่ยนะจะมีรศมีออกจากกายเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อเลยนะ ในขั้นันาตานุปัสสนานี้ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องสมุธฐานก็ดีไม่รู้ในเรื่องของปัจจัยก็ดีนี่นะครับก็ไม่มีทางครับที่จะไปรู้ความเป็นอนันตาก็เรื่องกรรมก็ยังไม่ค่อยรู้เลยมไม่รู้เรื่องกรรมมา ก, กนนะักก็คือถ้าคนที่รู้เรื่องสมุธฐานก็คือคนนั้นเนี่ยนะญาติปริญญาก็ดีอยู่แล้วเข้าใจกรรมมศกตาเป็นอย่างดีอยู่แล้วอันนะั้นพื้นฐานคนที่ใไข้ครวนเรื่องนี้เนี่ยนะ พจารณาก ร, รมสัสกาตาค่อนข้างมากสงเคราะห์กรมสกตาลงในทวารหได้อย่างชัดเจนลืมตามมองเห็นอะไรเป็นกรรำและผลของกำรรเอาเรื่องนี้มาตรึกค่อนข้างมากเลยนะอันนี้เป็นกรรมสการตานะหูได้ยินเสียงอะไรเป็นกรรำและผลของกำรรจะหมูกดมกลิ่นลิ่นรับรู้รสกายกระทบสัมผัสใจนึกคิดทั้งหลายนี่อะไรเป็นกรรำและผลของกำเขามองเรื่องราวเหล่านี้ออกเป็นอย่างดีอะ่ะจนสา ม, มารถแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นอัพยากตะแล้วควรทํากิจ ในสิ่งนั้นๆอย่างไรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแล้วแต่อะไรจะเกิดนะตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ที่มีค ว, ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสต่อไปว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาติยท่าปัญญายปสติอาธานิปินติดุเขเสัมมโควิสุทิยาเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุก ความหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองเนี่ยนะซึ่งข้อความในดีกาท่านก็อธิบายดีนะในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะนะนะในวิสุทธิมัทท่านกล่าวว่าโดยเกี่ยวกับศักวาวิปัสสนาเท่านั้นใช่ไหมเขาบอกว่า คำว่าวิสุทธิมักบางแห่งบอกว่าเป็นศักวาวิปัสนาเท่านั้นคำว่าวิปัสนาเท่านั้นคือตรงนี้ไม่ได้กล่าวถึงสมถะคือพระพุทธพจน์กล่าวถึงแต่วิปัสนาอย่างเดียวไม่ได้กล่าวถึงสมถะเลยเพราะฉะนั้นคำว่าในที่บางแห่งก็คือในพระสูตรบางสูตรนั่นเองบทว่าวิปัสนามัตตวเสนะเนี่ยนะที่ว่าเนื่องด้วยธรรมเพียงวิปัสนาเท่านั้น เพราะเาพราะท่านย่อมห้ามสมถะคือพุทธพจน์ไม่มีคําว่าสมถะอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าสมถะนั้นมีความประกอบที่ขัดแย้งกับวิปัสสนานั้นสมถะกับวิปัสสนาในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่สมถะเกิดเนี่ยพิจารณาความไม่เที่ยงได้ไหมไม่ได้ขณะที่วิปัสสนาเกิดสมถะก็ไม่เกิดในขณะนั้นนั้นนะคือตรงนี้ความเป็นสมถะและวิปัสสนาเอาที่อารมณ์ไม่ใช่เอาที่ตัวกุศลธรรม ถ้าตัวกุศลเนี่ยนะสัมมาวายามะสัมมาสมาธิสัมมาสติเนี่ยนะสามตัวนี้เป็นสมถะใช่ไหมเป็นเป็นสมาธิอันนี้โดยตัวกุศลธรรมนะตัวปัญญากับสัมมาสังกปะเป็นเป็นวิปัสนาหรือเป็นปัญญาอันนี้เครียกว่าเอาตัวธรรมะมาพูดแต่ธรรมะเหล่านั้นแล้วแต่ว่าไปรู้อารมณ์อะไรอารมณ์บางอย่างเป็นส ม, มถานิมิตอารมณ์บางอย่างเป็นวิปัสนานิมิต ตรงนี้เนี่ยเน้นวิปัสนานิมิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นคำว่าไม่ใช่สมถะก็คือไม่ไม่ได้พูดถึงสมถานิมิตนั่นเองเพราะว่าสมถะกับวิปัสนานี้ไม่เหมือนกันเนี่ย น, นะพอแยกออกนะตรงนี้คือหมายความว่ามันแตกต่างกันด้วยความจริงอารมณ์ความจริงอารมณ์มนะมเดียวกันนั่นแหละ ถูกไหมครับอารมณ์อันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นแล้วแต่วโยนิโสเป็นสมัทารวิปัสนาสลับไปสลับมาควบคู่แบบเป็นพี่เลี้ยงกันไปตลอดทั้งๆที่เป็นอารมณ์เดียวกันก็ได้คนและอารมณ์ก็ได้ถูกไหมครับบางครั้งสมถทก็เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์พุทสมถทใน40นั่นใช่ไหมครับส่วนวิปัสสนานั้นหนีไม่พ้นเรื่องเรื่องของวิปัสสนาภูมิ ก็ได้แก่ขันในที่นี้ก็หมายความว่าเอ า, เอาแค่ขันแล้วในนี้เน้นยังไงครับถ้าถ้าเราใช้คําว่านิมิตนี้แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแสดงว่าเรากําลังพูดถึงอารมณ์ปัจจัยอยู่คือคือตัวพูดตัวอารมณ์อยู่อ่าสมถานิมิตอันนี้ก็ต้องหนึ่งในสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าวิปัสสนานิมิตก็คือในขันเป็นต้นนะขันทาทินะฮะ มีขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ก็คือสมถะวิปั ส, สนาโดยเอานิมิตมาเป็นเครื่องกำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นสมถะหรือวิปั ส, สนาแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะธรรมะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอเอาเอาเฉพาะในมรค น, นะเป็นมรขปัจจยก่อนไม่ใช่อริยมร์แต่ตรงนี้กล่าวถึงมรขปัจคือสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานั่นเอง แล้วก็สังกัดปะนะได้แก่วิตกสัมมาสตินะสัมมาสมาธิแล้วก็สัมมาวายาม ะ, ะโดยกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตรงนี้สงเคราะห์ลงเป็นสมาธิสมาธิขันขันสมาธิขันคือกองแห่งสมาธิ อันนี้ก็เรียกส ม, มาถะเหมือนกันเพราะเป็นสมาธิเป็นสงบใช่ไหมสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นวิปัสนาอย่า น, นัอัน น, นโดยโดยชื่อนะโดยองค์ธรรมเนี่ยมาเรียกเป็นชื่อแต่ว่าธรรมะคือกุศลธรรมเหล่านี้ไม่สามารถรู้นิมิตเดียวกันในขณะเดียวกันได้คือกุศลธรรมเหล่านี้ไม่สามารถมีส ม, มาถานิมิตเป็นอารมณ์พร้อมกับวิปัสสนานิมิตได้ เขาจะรู้อารมณ์เหล่านี้ทีละอย่างานะขณะที่กุศลจิตเหล่านี้มีอารมณ์สมถะเป็นอารมณ์สิ่งนี้เรียกว่าสมถะนะกุศลธรรมเหล่านี้เรียกสมถะพอกุศลธรรมเหล่านี้มีวิปัสสนานิมิตเป็นอารมณ์เรียกวิปัสสนาที่จริงเขาก็คืออันนี้ฮัการพูดถึงคํ า, าว่าสมถะวิปัสสนาก็สองนัยยะด้วยกันนะสองนัยยะด้วยกัน ก็ท่านนองยกตัวอย่างจริงๆให้ดูทั้งนิดสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะในอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์เดียวกันแท้ๆเลยแต่ว่าเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่กับที่โยนิโสมนสิการหรือเปล่า อ, อารมณ์เดียวกันที่ว่านี่ลองยกอารมณ์ใดเช่นสมมุติว่าเราเห็นอสุภาษณีเ ป, เป็นเรื่องของสมถะอันนั้น <ะ S 2> ยก <นะ S 2> ตัวอย่างเลยน ะ, ะผม ครับเช่ส้นผมฮะเส้นผมนะก็ผมอันเดียวกันนั่นแหละพอมาเป็นวิปัสสนาก็เส้นผมเดียวเนี่ยนะครับถ้าปรารบโดยความเป็นสมถะอณะโดยสีสันฐานสันฐานนะโอกาสปริเชษเป็นต้นอันนี้เาเรียกว่าเป็นของปฏิกูลโดยกลิ่นโดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสปริเชษเนี่ยนะการคร่ครวญการพิจารณาสาทายในลักษณะนั้นเป็นไปเพื่อสมถะ แต่เส้นผมเส้นเดียวนั่นแหละมาปาระวัณในผมนี่มีกี่รูปก่อน <4. S 1> ใช่ไหมผมมีกี่รูปสิ <4. S 1> ผมนี้ประกอบด้วยกายทัศกะเนี่ยนะสิบรูปภาวะทัศกะอีกสิบรูปอาหารแปดจิตแปดอุตุแปดอันนะัที่ที่งอกมานอกผมเป็นอุตุชรูปอย่างเดียวใช่ไหมอ่า ผมเหล่านี้เรียกว่ารูปประคันเหนะหมในรูปทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ารูปประคันผมนี่เป็นได้เกียร์ยัตนะเป็นต้นผอมนี่ได้เกียร์ยัตนะน้ำติง๋งเท่าไหร่ผมเนี่ยนะมีรูปอะไรบ้างจำใหม่นะมผมเนี่ยมีสีใช่ไหมสีเป็นอะไรยัตตนะรูปลายยัตนะยยตนะผมนี่มีเสียงเลยมีไหม ถ้าไม่มีใครกระทบมันก็ไม่มีแต่ว่าขณะที่เขาธรรมดาจะไม่มีเสียงเอาไว้ก่อนนะนะเพราะฉะนั้นผมนี่มีกลิ่นกลิ่นเป็นอะไรยตนะคันธายตนะผมนี่มีรสอยู่ด้วยนะเป็นรส า, ายตนะผมนี่มีโพธพาะอยู่ด้วยโพธภาษเป็นโพธายตนะที่เหลือจากนี้เป็นธรรมายตนะในผมนี่มีกายภาษาธาอยู่ด้วยเป็น กายายตนะเห็นไหม น, นะนายยตนะเท่าไรอยตนะหกนะเฉพาะที่ไล่ตรงนี้เห็นไหมนะผมนี่มีกายภาษาธาอยู่ด้วยอเป็นอยตนะภายในอยตนะภายในคือกายอย่างเดียวอยตนะภายนอกคือสีกลิ่นรสโพธพภะและธรมมะเป็นธรรมายตนะทีนี้ถ้าพูดถึงสีแล้วเนี่ยสีเป็นอ ร, ริมณะปัจจัยของจิตได้กี่ดวง สีของผมเนี่ยนะสีเนี่ยต่อให้เกิดสีกับจักขูต่อให้เกิดวิธีจิตอะไรเกิดขึ้นได้บ้างสีเป็นอารัมมณะปัจจัยของจิตใดบ้างเนี่ยนะอ น, นะสีเนี่ยนะเป็นอารัมมณะปัจจัยของอกุศลจิต1 2แน่นอนจักขูวิญ ญ, ญาณอีกสองสปฏิชนะอีกสองสันติระนอีกสปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะอีก 2. ถ้ากุศลจิตเกิดได้อีก 8. ปดสรุปเท่าไหร่ย9ิบเก้านะเ ม, มื่อคุณโฉมนีมันยี่สิบเก้านะฉั 29. นสะามารถเป็นอารมณะปัจจัยของจิตได้ยี่สิบเก้าในยี่สิบเก้านี่ยนะพื้นฐานการพิจารณาธรรมะอย่างไรก็ตามกรรมสั ก, กตาก็ต้องแม่น จากขววิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยนะเป็นชาติวิบากกิริยาสองเป็นอ่นะกิริยาสองอากุศลจิตสิบสองมาากุศลจิตอ่นะมาากุศลเนี่ยแปดอ่นะผมเนี่ยเป็นอา ร, รมณะปัจจัยของทานอากุศลได้ไหมเพราะฉันผมเนี่ยเป็น อารามณปัจจัยของศีลและกุศลได้ไหมของพระเนี่ยนะถ้าปลา ร, ร, รพระวินัยแล้วโกนผมเนี่ยนะเป็นอารามณปัจจัยของศีลแลกุศลนะอะไรเช่ น, น, นพระเนี่ยโอ้แต่จับผมเนี่ยเออนึกเลยเสยผมไม่ได้น ะ, ะนะถ้าปลารบจะแต่งตัวจะเสยผมนี่เป็นอบัตทุกกฎนะไม่ได้เพราะเส้นผมนี่เป็นอารามณปัจจัยของกุศลศีลได้ตั้งหลายอย่างปล่อยให้ยาวเกินสองอุคลีเป็นอบัตนะปารบที่จะไม่ให้ล่วงละเมิดก็ จะไม่เอาพวกมาตบมาแต่งมาประดับประดาไม่เอาดอกไม้เป็นต้นมาเสียบมาอะไรเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นกุศลศีลได้ฮัน้นอย่างอย่างของเราเนี่ยนะวันอุโบสถก็ไม่ปรารบที่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาตบแต่งเส้นผมอันนั้นก็เป็นอุโบสถศีล น, นะเป็นกุศลด้วยผมนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะเป็นอารมณ์ของสมถะก็พิจารณาโดยสีปฏิกูลโดยสีไม่เชื่อก็เอาเส้นผมเนี่ยไปวางควบคู่กับเส้นขนมจีนอ่ะนะ เอาผมสักสิบเส้นเนี่ยนะไปวางในขนมจีนเนี่ยนะรับรองเนี่ยแมวันนั้นนี่หมดอร่อยเลยนะหรือเอาอาหารที่เราชอบชอบนะเนะ่เอาเส้นผมเนี่ยใส่ลงไปปั๊บเนี่ยสีของผมเนี่ยน่ารังเกียจอย่างนั้นเลยอ่าโดยกลิ่นเนี่ยผมเนี่ยนะถ้าไม่สะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อดมหมอนดูดินะมันปฏิกูลอย่างนั้นแหละอ่ะนะโดยกลิ่นเนี่ยก็ปฏิกูลอ่าโดยสันฐานเนี่ยนะเวลาเราเคี้ยวอะไรเนี่ยนะ กลางคืนมืดๆเนี่ยถ้าเหมือนกับอะไรที่รู้สึกเหมือนผมอยู่ในแทบอ่ะคายออกมาเลยนะมันปฏิกูลอย่างนั้นน่อ่าโดยสีโดยสันฐานโดยเกล่นโดยโอกาสโอกาสก็คืออยู่บนบนสีสะระหว่างผิวหนังเนี่ยนะเส้นผมกับผิวหนังติดต่อกนันถ ค, ครวญลักษณะนี้มากๆเป็นสมถะเนี่ยนะแต่ที่จริงถ้าหากว่าคนที่จะเจริญเป็นการเป็นงานเป็นล่าเป็นสารเขามีการสาธยายด้วยนะ มีการสาทยายมีการท่องมีการาศึกษาโดยลำดับตามหลักของกายัคตาสติที่ที่มุ่งกรรมาฐานเพราะว่าพิจารณาสีของเส้นผมเนี่ยนะหรือผมถ้าคนที่เจริญสมถนได้ถึงที่สุดเป็นอารมณะปัจจัยของปฐมฌานได้เนี่ยนะกายคตาสติเป็นอารามณะปัจจัยของปฐมฌานได้ผมเนี่ยเป็นประเภทสีสีอะไรสีเขียวนะพัน ผมเนี่ยสามารถเป็นอารมณะปัจจัยของนีละกะสินได้เพราะฉะนั้นผมถ้าหากว่าไปต่อด้วยกสินก็จะได้จดตุตฌานเลยไปต่อฌานได้นะต่อไปเป็นนีละกะสินสามารถไปต่อกสินได้ถ้าเ พ, าเพาะะิ่กสินก็ต่ออรูปฌานต่อไปได้เพราะฉะนั้นในสายสมมาถาเองก็ไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าวิปัสสนาก็เราได้นิมิตของคําว่าขันคําว่าขันในนี้มีรูปทั้งหมดนับแล้วนับอีกนับซ้ํากันทั้งหมดได้ 44่รูปถ้าพูดถึงกายกับภาวะนี้แสดงว่าคุยเรื่องอะไรกรรมแล้วใช่ไหมเรื่องอาหาร8อาหารชโูภจิตตชโูปอุตตตชโูปมผมที่นอกพ้นมาจากศรีรษะไปแล้วก็เป็นอุตุูชโูปอย่างเดียวนนก็เกิดการคร้ครวนถึงปัจจัยเหล่านี้เนี่ยว่าเส้นผมเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะ เกิดจากกรรมเกิดจากอุตุเกิดจากจิตเกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมี ส, มสมี่สันตติสันสติอันหนึ่งก็คือกรรมนะสืบเนื่องมาจากกรรมนะเส้นผมอย่างหนึ่งก็มาจากอาหารานะเพราะอาหารเนี่ยเข้าไปบำรุงเส้นผมเลยนะถ้าอาหารผิดบางอย่างก็ทําให้ศีรษะร่วงเป็นต้นได้คิดมากเจนผมร่วงก็มีนะอันนี้ก็มีแล้วก็อุตุเนี่ยความร้อนเป็นต้นเนี่ยก็ทําให้ศีรษะ ร่วงได้เป็นต้นหรือมีอิทธิพลต่อเส้นผมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยถ้าปัจจัยคือกรรมจิตอุตูอาหารยังหล่อเลี้ยงอยู่ดีเขาก็เป็นไปอยู่ในลักษณะนี้